ด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสตราจารย์โปรโดประทานไว้ว่าพิกเวดูกะระภิกษุทั้งหลายพระตถาคตได้รู้จริงเห็นจริงซึ่งพระสัรธรรมแล้วธรรมังเทเสมิพระตถาคตจึงได้สําแดงพระสัทธรรมนั้นไว้โนอาณะพินยายะใช่ว่าพระตถาคตจะได้สําแดงพระสัทธรรมนั้นไวโดยความที่พระตถาค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 ก็จงเพิกถอนขุทานุขุทธะสิกขาบทเสียบ้างที่พระองค์เจ้ามีพระพุทธดีกาดังนี้ก็เพราะมีพระพุทธประสงค์จะใคร่ส่งทดลองใจเหล่าภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายในอนาคตการว่ามเมื่อตถาคตอนุ ญ, ญาตให้สละละวางเลิกถอนขุทานุธธากาุทธะสิกขาบทได้เช่นนี้ครันตถาคตล่วงรับดับขันปรินิพานไปแล้ว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 ขุทธานุกุท ธ, ธกะสิกขาบทนั้นได้แก่อันใดแน่นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้ทราบในการบัดนี้พระนาคเกษนผู้เลิศด้วยศีลสมาจารจึงถวายพระผนว่ามหาราชาดุกะระบพิษพระราชสมภารผู้ขัตติยะมหาศาลเรืองพระเกียรติยศคําว่าขุทธานุกุท ธ, ธกะสิกขาบทนั้นบพิจงมนาสิการกําหนดในพระไยว่า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 เพราะพระบรมครูของเราได้ทรงแสดงไว้โดยบัญญายขอถวายพระพรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาก็สรรเสริญพระหน้าขาเสนว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหากระทารถพระพุทธฎีกาให้มั่นคงไว้ชนี้จะเป็นที่ปรากฏจำเริญแก่พระชิโนรสไปในโลกช้านานนับแต่วันนี้เป็นต้นไปในการบัดนี้ ขุทานุกุทกะปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้